ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนเสนอตอนที่49สิทธิน้ำตาคลอฟ้าหญิงขอเป็นลูกบุญธรรมและฟ้าหญิงฟังเทศจิตรวมหลวงตามหาบุญญาสัมปันโน ได้ให้อวัตธรรมเอาไว้ว่าไม่ว่าเมืองไหนจเจริญบ้านไหนจเจริญอย่าเป็นบ้ากันนักให้ดูตัวเองพัฒนาจิตใจให้ดีเมืองไหนก็ตามถ้าลงอันนี้ได้บีบอยู่ในหัวใจเมืองไหนก็หาความจเจริญไม่ได้มันเสกสรรปั้นยอ ก, กันทั้งนั้นแหละว่าไปเมืองนั้นเมืองนี้มาโอ้โเหเฮือกันเป็นบ้ายิ่งเมืองไทยเราเป็นบ้าทั้งเมืองพอมาจากเมืองนอกเมืองนานละ เหมือนเมืองไทยเรานี้อยู่ในตุ่มในหายเข้าใจไม่ล่ะไอ้พวกนั้นเขาไปอยู่เมืองนอกเขาหายใจอยู่ฟากอากาศเมืองไทยเรานี้อยู่ในตุ่มในหายหาที่หายใจไม่ได้พอได้ยินว่าพวกนั้นมาจากเมืองนอกจะเป็นบ้ากันมันอะไรก็ไม่รู้มันเตือนอะไรกันนักกันหนาดูจุดสําคัญที่พระพุทธเจ้าสงสารบ้างสิเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรทุกอะไรสุกดินฟ้าอากาศไม่ได้สุขได้ทุกข อยู่ที่ไหนก็ไปดินฟ้าอากาศเหมือนกันเมือง น, นอกเมือง น, นามันก็อยู่เ ห, เหมือนกันนี่แหละความทุกความเดือดร้อนมันไม่ได้อยู่โน่นมันอยู่ที่หัวใจทุกๆคนถ้าปรับตัวไม่ดียิ่งไม่มีทำด้วยแล้วเอาเถอะว่าอย่างนั้นเลยหลวงตามหาบัญยสัมปันโนได้เล่าชี้ว่ประวัติของท่าน ถึงการช่วยชาติบ้านเมืองและเล่าถึงพินัยกรรมขององค์ท่านเอาไว้ว่าวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2543หลวงตามหาบัวได้ประกาศทำพินัยกรรมมอบสมบัติเข้าพระคลังหลวงเพื่อช่วยชาติระหว่างเทศนาณสาลาสวนแสงธรรมท่ามกลางความตกตะลึงของญาติโยมที่นั่งฟังหลวงตามหาบัวยังปากหลักสู้ไม่ถอยเพื่อให้เงินผป่าช่วยชาติถูกนาไปใช้ ตามเจตนารมอย่างถูกต้องที่สุดซึ่งล่าสุดถึงกับทําพินัยกรรมมอบสมบัติทั้งหมดเข้าพระคลังหลวงแล้วโดยท่านได้ประกาศไว้ว่าเราขอยืนยันว่าเงินทั้งหมดเราจะซื้อทองเข้าคลังหลวงไม่ให้เป็นของคนอื่นและไม่แยกจากกันซักสตางแดงเดียวเหลงตาจะเผาผีด้วยไฟเท่านั้นไม่ใช่ด้วยเงินคนเรานั้นแม้มีชื่อเสียงแต่วรนสุดท้ายก็คือความตายมาถึงทุกคนสมมติ ที่จะมาเกิดมาตายกองกันอยู่นี้ไม่มีแล้วในตาภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายของเราใครจะหาว่าเราโกหกมดเทศโอ้อวดก็ให้ว่าไปแต่ระวังบาปจะกินหัวนะนี่ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายจึงได้ทำเหล่านี้มาเมื่อได้มามากน้อยก็ได้พูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังให้มีแจใจใต่างหากเราไม่ได้พูดเพื่อความโ อ, อ้อวดให้มีแจใจอุตส่าห์พยายามกันความดีนี้ไม่มีขาดคุณ คนมีคนจนทำบุญได้ได้บุญด้วยกันทั้งหมดคนเราฐานะสูงต่ำกันไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามีฐานะสูงไว้เพื่อโกงหรือรีดไถเขาพวกนี้เป็นพวกที่สร้างภัยเผาหัวของเขาเองพวกนี้จะล่มจมมากที่สุดเมืองไทยเราเรียกพวกนี้ว่าพวกสกปรกพวกทำลายชาติจะเป็นใครก็ตามถ้าทำชั่วมากๆพอตายไปแล้วพระยังมาสวดไม่ทันคนดีมีมากไม่เฟอ้อ คนชั่วคนสองคนทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนไปหมดเดี๋ยวก็ไปขโมยปล้นคนนั้นคนนี้จนชาวบ้านนอนไม่หลับต้องคอยระวังอันตรายต่อทรัพย์สมบัติของชาติขอร้องว่าอย่าสมัครใจเป็นคนชั่วเพราะตัวเองจะนอนไม่หลับต้องระวังอยู่ตลอดกลัวเขาจะจับได้หลวงตาบัวช่วยชาติเต็มความสามารถแล้วอะไรที่จะมาทาลายสู้ไม่ถอยเพื่อปัดเป่าให้สิ้นซาก หลวงตามหาบัวญานสัมปันโนรือเล่าชี้วประวัติขององค์ท่านถึงองค์ฟ้าหญิงขอเป็นลูกบุญธรรมเอาไว้ว่าสำเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไลรักอัครชัยกุมารีได้ประทานให้สัมภาษณ์กับเนติจัสารฉบับหนึ่งถึงหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นทั้งพระอาจารย์และบิดาบุญธรรมในโอกาสที่พระหลวงตารับนิมนต์มาฉันเช้าที่พระตำหนักใหม่กิรดาว่าหวังอะไรก็คงไม่หวังมากแต่ก็ได้มาอยู่แล้ว เพราะว่าหลวงตามหาบัวจะมาฉันเช้าที่บ้านน่มนต์ท่านไว้อันนี้เป็นความปลาปลื้มที่สุดเพราะหลวงตาอุตสาารับเป็นสิทธิ์เมื่อปีพุทธศักราช2538เมื่อปีที่แล้วท่านก็รับเป็นบุตรบุญ ธ, ธรรมเป็นความทราบซึ้งมากแล้วในเวลาก่อนนอนที่ไม่ขาดก็คือสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้นั่งยาวๆเป็นชั่วโมงๆคือ มีสินาทีก็นั่ง10นาทีมี20นาทีก็นั่ง20นาทีแล้วแต่จะเป็นไปได้แต่ก็ทําเป็นประจำหลองตามหาบัวยานสันป น, นโน่ได้กล่าวชมเชยถึงฟ้าหญิงองค์เล็กในการฟังธรรมเทศนาขององค์ท่านจนจิตรวมเอาไว้ว่าเหลองตาได้กล่าวชมการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรวไร ร, รักอคราชกมารีเอาไว้ว่าเทศกรุงสยามอันดับหนึ่งก็คือการเทศที่สนามหลวง งานใหญ่ที่สุดมาครบหมดเลยชาติก็นายกพร้อมกับคณะรัฐมนตรีศา ส, สนาก็พระเป็นพันๆแน่นหมดสนามหลวงพระมาหากษัตริย์ก็ฟ้าหญิงปิลาภรเสด็จมาเรียกว่าครบชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ใช้เวลาเทศตั้งหนึ่งชั่วโมง23านาทีฟ้าหญิงท่านฟังเทศเรายี่สิบกว่าครั้งเวลามาเขาจัดให้ที่ประทับท่านก็ประชับพอเราขึ้นธรรมาท์ท่านก็นั่งทาสมาธิฟังทุกครั้ง ฟ้าหญิงท่านภาวนาจริงนะท่านสนใจภาวนาจริงจังท่านไปประทับที่ประทุมธานีท่านก็ทำที่ไว้สำหรับภาวนาอยู่ที่ไหนท่านก็มีที่ภาวนาของท่านโดยเฉพาะเฉพาะเอาเทปของเราไปฟังฟังทั้งเทปทั่วๆไปเช่นแจงม้อใหญ่เทปเทศเฉพาะสอนพระวัดปะบันตากมีธรรมะเฉพาะที่พุงพ่งๆเป็นแจงหม้อจิว๋วท่านก็ฟังครั้นเวลาท่านพูดหน้าฟังนะเราถามว่าเป็นยังไงล่ะ เทศสอนธรรมะกับเทศสอนพระต่างกันไหมต่างกันมากแต่รู้สึกว่าชอบเทศสอนพระมากกว่าท่านตรัสอย่างนั้นอย่างที่เทศสนามหลวงในวันที่21 เ, เมษายนปีพุทธศักราช2544นั้นพอเทศจบลงแล้วเราเลยถามท่านดูเป็นยังไงหล่ะฟังเทศท่านออกประธานขึ้นทันทีเลยว่าโอ้โหท่านพ่อเทศถอดออกมาจากกิใจใจจริงๆฟังแล้วกายเบาวิวเลยเชียวแทบไม่มีกาย ท่านพูดอย่างนั้นหมายถึงว่าจิตรวมแล้วที่สงบเข้ามาสู่ธรรมธรรมกล่อมจิตก็หมุนอยู่กับธรรมมันเลยไม่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่เจ็บนั้นปวดนี้ท่านว่ากายบาวิวแทบไม่มีกายเท่านั้นเราเข้าใจทันทีเพราะเราเคยมาแล้วฟ้าหญิงท่านเสด็จมาพักค้างที่วัดปอบบรรด า, าท่านเสด็จมาบ่อยมาที่แรกเอาของพรุง์พรังเอาเข้ามาถวายเราก็ว่าเอามาหาอะไร ลูกมาเยี่ยมพ่อมาแต่ตัวจะเป็นอะไรตั้งแต่นั้นจึงไม่เอาอะไรมาไม่ให้เอาอะไรมาเดินเข้ามาลูกไปหาพ่อพ่อไปหาลูกเหมือนกันเราไม่ได้พูดธรรมาดาหยุ่เอาด้วยท่านภาวนาดีนะท่านสนใจภาวนาท่านภาวนาดีท่านนิมนต์เราไปตําหนักที่ประทุมธานีเราไปให้ ห, หนึ่งหรือสองหนบริเวณทําเลภาวนาดีท่านเสด็จมาบ่อยแหละมาที่นี่วัดป่าบรรตาร์ป้ายดึงกุลาพร ท่านถวายตัวเป็นลูกบุญธรรมเวลาเราพูดกับท่านเราก็พูดแบบพ่อกับลูกเลยท่านพูดกับเราก็แบบเดียวกันแบบพ่อกับลูกท่านลงใจเต็มที่กับเราเทศในงานต่างๆท่านเสด็จมาท่านก็ไปฟังด้วยเฉพาะอยู่ในศาลาดได้ฟังทุกเช้าที่องค์ท่านเสด็จมา